บทที่๗๔ฮัดชขอร้องให้ทาอะไรบางอย่างขอให้ข ر ันด่าโมเรเดชีซีคุณช่วยตัดผมให้ผมได้ไหมครับ ا อมคอนดอร์ด์มูฮายมะโรคุตาะนิด อย่าให้สั้นเกินไปนะครับลรดฟันเคลีคูทอน่าชาดสั้นอีกนิดนะครับโรดฟันค่มีคูทอใช่ช่วยล้างรูปให้ได้ไหมครับมอม ن ค س ت ัสอินไอซ์ฮอร์จอเฮรคนิดรูปอยู่ในซีดีครับอซ์ฮรูอยซีดีเฮสตัน รูปอยู่ในกล้องครับอักคซอรุยดูรบินฮัสตันช่วยซ่อมนาฬิกาให้ได้ไหมครับมีทวานิดอินโาอัตรทามิลคอนิดกระจกแตกลีวอนเชจัสเตอสตแบตเตอรี่หมดแบตทรีขลิส ช่วยรีดเสื้อตัวนี้ให้ได้ไหมครับมอมแค้นสัสอินพีโรฮันโรโอทูคอนิดช่วยซักกางเกงตัวนี้ให้ได้ไหมครับมอมแค้นสัสอินชาร์วโรทามิสคอนิดช่วยซ่อมรองเท้าคู่นี้ให้ได้ไหมครับมอมแค้นสัสอินคาฟชโรทามิร์คนิดขอต่อบุหรี่หน่อยได้ไหมครับ ممکن است به من یک فندک بدهید؟ คุณมีไม้ขีดหรือไฟแชกไหมครับ شما کبریت یا فندک دارید? คุณมีที่เขี่ยบุรีไหมครับ شمازیر سیگاری د ا ر, ی, ر ی, ی د, ی د คุณสูบซิก้าไหมครับ شما سیگار برگ می กมิเคุณสูบบุรีไหมครับ ช่วยสูบสูบมีเคชิดคุณสูบไผ่ไหมครับช่วยพีปมีเคชิด